เราจะมีความสบายในการนั่งพับเพียบในการคัดสมาธิอย่างไรก็เราก็นั่งสบายหลักสาคัญในพวกเราพาการรักษาความสงบความสงบทางภายนอกก็เพื่อส่งเสริมความสงบภายในจิตในใจพอทุกท่านทุกคนต่างเข้ามาในสถานที่นี้ก็ล้วนแต่ปาถนาเข้ามาฟังธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อปาถนาฟังธรรมฟังธรรมแล้ว เราแต่ละท่านแต่ละคนก็ต้องมีความระมัดระวังส้ารวมกายวาจาของตราเองกายก็ฝึก อ, อิริยาณอาการที่แสดงออกไปต้องมีความสํารวมเรียบร้อยสงบเส ง, สงี่ยมวาจาของเราก็ต้องงับไว้หยุดไว้เพื่อให้ความเนียบความสงบของสถานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการส่งเสริมความสงบขึ้นมาภายใ น, ในใจิตในใจของเราเองแต่ถ้าหากเราไม่ไม่รักษาแล้วเราอาจจะพูดคุยสนทน า, นา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 ให้มีความเรียบร้อยจากนั้นเรารักษาใจของเราเองให้อยู่ในปัจจุบันอยาส่งจิตส่งใจออกไปสู่อดีตอานาคตใจที่จะออกไปสู่อดีตอานาคตมันออกไปแต่แต่ไม่้ยมุมของความนึคิดปรุงแต่งคิดไปตามเรื่องราว อ, อาดีตคิดไปตามเรื่องราวอนาคตแม้ก่าเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นเรื่องราวที่น่ายิดีหรือน่ายินร้ายกว่าตามก็ให้เข้าใจถือว่าคนรรู้แต่ประกอบควรจิตก่อควรใจของเราไม่ให้เข้าถึงควาสมสงบนั่นเอง เมื่อเรารักษาปัจจุบนันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเราดีแล้วทำที่ท่านแสดงออกไปนั้นก็ย่อมเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเรากรอบจิตคอบใจของเราหลักสําคัญจิตของผู้ฟังนั้นย่อมได้รับความสงบูรณ์นี่คือจุดมุ่งหมายในการฟังธรรมของพวกเราวันนี้ที่พวกเราเข้ามาประกอบกิจอันเป็นบุญเป็นกุศลมาทําบุญกันตั้งแต่นิบวนครูบาอาจารย์มาเจเริญพุทธมนต์ได้ใส่บาได้ทําบุญถวาย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 วันวิสาขาบูชานั้นพวกเราเราก็ทราบแล้วว่าเป็นวันซึ่งสำคัญในพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันแห่งการประสูติตัรุปะริณิพานขององศาสดา ข, ของเราซึ่งมาตรงกันในวันเพ็ญเดือนหกซึ่งถือว่าเป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งวันวิสาขาบูชานั้นถ้าเรามาพูดกันอย่างถ่งแท้นะเป็นวันที่ พระพุทธเจ้ามารื้อเอาความโง่เขาเบาปัญญาออกไปจากบุญมนุษย์หรือมายกมนุษย์หรือมาประกาศอิสรภาพให้เกิดขึ้นมาในเหมือนบุญหมู่มนุษย์เพราะมนุษย์เรานั้นแต่ก่อนแต่กายนั้นก่อนพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้นั้นมนุษย์เรานั้นถูกโมหะความรุ่มหลวงมาจากไออวิชาความโง่เขาของเราครอบงําไว้ เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ด้วยความมืดมิดเราจึงอยู่ด้วยความมืดบอดหรือ้มาประกาศอิสระพลาให้แก่บวตมนุษย์เพราะมนุษย์อยู่มาแต่ไหนแต่ไรมานะั้นล้วนแต่เป็นข้าทาสของเทวดาอินพรมยมยักษ์หรือสิ่งที่มนุษย์ไปยกย่องว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ เพราะฉะนั้นแต่ไหนแต่ไรมานะั้นมนุษย์เราจึงมีแต่ไปพึ่งพิงอิงอาศัยไปอ้อนวอนขอร้องเทพเจ้าเหล่าเทวมาทั้งหลายไม่ว่าสิ่งใดที่ว่ามนุษย์เราคิดว่าเราเองมีทุกข์โศกโรคภัยอันตรายหรือเรากลัวต่อทุกข์โศกโรคภัยอันตรายต่างๆทั้งหลายที่เข้ามาเบียดเบียนเบียดย่ำเราแล้วเราก็ย่อมจะไปหาที่พึ่งต่างๆเราอาจจะคาดหมายว่า สิ่งใดที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีอำนาจเหลือกว่าพวกเราเราก็ไปนอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งเหล่านั้นแหละมาช่วยเรามาปัดเป่าทุกหรือมาป้องกันทุกทั้งหลายอันเกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นมาจากเราให้มันหมดสิ้นไป มนุษย์เราจะพึ่งอะไรเออพึ่งอะไรก็ตามก็ว่ า, า้วนแต่คาดหมายไปเพราะเราไม่เคยไปสัมผัสสิ่งเหล่านั้นแต่เราก็คาดหมายไปตามความเคยได้ยินเคยได้ทราบมาจากการสืบต่อสืบต่อมาว่าดินง้ากาเอ่ อ, เ, อ, อเทวดาอินพรมยมยักษ์หรือผู้ผีปีศาจต้นไม้สิ่งของเก่าของโบราณมีความศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเหนือพวกเราเร า, เราก็ไปอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งเหล่านั้นหละ มาปัดเต่ามาช่วยพวกเราให้พ้นจากของทุกข์แต่มนุษย์อีกเช่นกันก็เอาอาศัยนิสัยของมนุษย์เองไปไปใส่ไปใส่ให้เป็นนิสัยของเทพเทวดาเหล่านั้นเพราะเราเข้าไปไม่ถึงเทพตัวเทพเทวดาเองเราก็ต้องเอาสนิสัยของเรามนุษย์เองไม่ชอบเป็นผู้ให้อย่างเดียวแต่ต้องการเป็นผู้รับเพอเพราะฉะนั้นถ้าใครมาขอแต่เราเรามีแต่ให้เขาให้เขาอย่างเดียวเราก็ย่อมไม่ชอบใจ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 ผูชนนั้นจะชอบใจอะไรก็เข้าใจว่าเทพสิวาตายมพมยมยักษ์ก็ชอบใจอย่างนั้นก็อาจจะชอบเป็นชอบไก่ชอบหัวหมูชอบอะไรต่ออะไรจนกระทั่งในสมัยโบราณแล้วก็เคยได้ยินในประวัติศาสตร์ว่าเอาจนกระทั่งเอาหญิงพมจารีอ่ไปบูชายันแลกเปลี่ยมก็เพราะตัวเองชอบหญิงพมจารีซะมาก็เลยคิดว่าเจ้าแม่ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็ชอบหญิงพมพมจารีก็เอาหญิงพมจารีนั่นไปแลกเปี่ยม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 พพเพราะนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ยกเว้นในการกบาบไหวบูชาอ้อนวอนขอร้องเหมือนกับประชาชนทั่วไปหรือคนทั่วไปในสังคมนั้นๆแต่ในสภาพความเป็นกเป็นพระราชามหาคสัตย์พระองค์เอาสิ่งที่ไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไปแลกเปลี่ยนของพระองค์นั้นก็ย่อมมีความปานี้มีความมากมายมากเหนือยิ่งกว่าประชาชนทั่วไปก็เมื่อเมื่อพระองค์ยังเอาของของดิบของดีของปานี้เหนือยิง <S <S ยอ่งกว่าประชาชนทั่วไปไปแลกเปลี่ยน ไปแลกเปลี่ยนไปอต่อให้ต่อเทพทิวดาห์อมงยุงยักษ์ทั้งหลายหล่อนั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายหล่อนั้นมาป้องกันทุกมาปัดเป่าทุกให้แก่พวกแต่แล้วพระองค์ก็ยังไม่สามารถพ้นจากกองทุกได้ไม่สามารถมาปัดเป่าให้พระองค์หลุดจากกองทุกหรือหมดซึ้นเป็นจากทุกได้แล้วประชาชนคนทั่วไปนั้นของด้อยของหยาบกว่าพระองค์มากไปไกลกองจะไปพ้นจากกองทุกได้อย่างไรเพราะนั้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จึงไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้น จะเป็นการแก้ไขหรือเป็นการปัดเป่าได้ไหมพระ อ, องค์เจ้าชายเป็นท่นาพระ อ, องค์จึงเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นความโง่เขาเบาปัญญาของมุษย์เพราะองค์จึงละทิ้งสิ่งทั้งหลายอย่างนั้นอย่างสิ่งเชิงเมื่อพระ อ, องค์ละสิ่งเหล่านั้นอย่างซึ่งเชิงแล้วพระ อ, องค์ก็มาข้นขวายข้นขวายแสวงหาลองผิดลองถูกอีกตามปรวัติศาสตร์เราก็ได้ยินมาแล้วว่า ในพุทธประวัตินั้นพระองค์ได้ลองผิดลองถูกปรับพุธปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทรมานกายหรือในการปรับพุธปฏิบัติอย่างไรพราะพระองค์ก็ปฏิบัติจนเหนือเจ้ารักทีต่ต่างๆหลายในยุคในการสมัยนั้นไม่ว่าเจ้ารักที่ในสมัยนั้นจะปฏิบัติขนาดไหนจนประกาศ ต, ตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์แต่พระองค์ก็ไปปฏิบัติเหนือเจ้ารักที่นั้นพระองค์ก็ยังไม่สามารถค้นจักความทุกได้พระองค์จึงแน่ใจ ว, ว่าวิธีนั้นไม่ถูกต้อง ถ้าพระพุทาถู ก, กต้องแล้วพระองค์ก็ต้องสำเร็จไปแล้วเป็น พ, พระลาหันไปแล้วเพราะนั่นที่ประ ก, กาศว่าพระลาหันพระลาหันนั้นล้วนแต่หันซ้ายหันขวา ล, utor ล utor ้วนแต่หันด้วยความหลอกลวงเท่านั้นพระองค์จึงละทิ้งทุางทั้งหลายเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงพระองค์ได้ลองผิดลองถูกมาถึงหกปีเมื่อลองผิดลองถูกทุกสิ่งทุกอย่างจนเหนือจากเจ้าละทิต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงแล้วพระองค์จึงแ น, น่ใจว่าวิธีการต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นวิธีการที่มีถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้้ววพระองงค์จึหเขาาาม ที่ตัวพระ อ, องค์เองก็มาเห็นลงไปรวมล ง, ล ง, ง, ล, งลงไปที่ใจของพระ อ, อ, อ, องค์รวมลงไปที่ใจของพระองค์พระเห็นว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างต้นเขาไปเห็นว่าได้ออกมาจากที่ใจพอพระ อ, องค์ก็ได้แบบอย่างมาจากที่พระ อ, องค์ไปกำหนดอนาาสติเมื่อครั้งที่พระ อ, องค์ไปแรกนาขวัญโดยบังเอิญนั้นเอาจุดนั้นหลัะมาเป็นมาเป็นต้นเรื่องของการกําหนดเข้ามาสู่จิต เมื่อพระ อ, องค์มากําหนดอนาปานสติเข้ามาสู่จิตของพระ อ, องค์ในฟันเ็นเดือนหกจนกระทั่งว่ากระบวนการในการปฏิบัติของพระ อ, องค์รวมเข้าสู่จิตสู่ใจจนกระทั่งใจเข้าไปถึงสู่ความสงบสมาธิแต่พิจารณาทางด้านปัญญาจนได้ชั้นหนึ่งชั้นสองจนกระทั่งได้ได้ถึงซึ่งความค้นจากอาสวะกิเลสทั้งสิ้นคือได้ตัดรู้ก่อนตะ ว, วันรุ่งแจ้งนะนั่นแหละวันนั้นก็เป็นวันตรงกับ วันวิสาขบูชาคือว่าเพ็งเดือนหกเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้แล้วพระองค์จึงเห็นชัดเจนว่ามวลมนุษย์นั้นความทุกข์ความทุกข์ยากยำลำบากทุกข์ทุกอย่างล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการกระทําของตัวตนเองแต่เรื่อการแก้ไขล่ะเราจะไปอาศัยใครมาแก้ไขเพราะฉะนั้นการแก้ไขก็ขึ้นอยู่กับตนเองท่านจึงประกาศถึงการแก้ไขนวัดตาเหี่ยวตัวนาโผตนแหลเป็นที่พึ่งของตนพระองค์จึงประกาศนึ๊กฟ้าเป็นอิสระ ของมวลมู่มนุษย์ให้พ้นจากความเป็นข้าทาสของเทพเจ้าอินพรมยมยักษ์ที่หลายอย่างที่เจอนั่นแหละคือวันวิสาขบูชาของพวกเราหรือวันวิสาขบูชาถ้าเราบอกว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพในหมู่มวลมนุษย์ให้พ้นจากการเป็นข้าทาสของเทพเทวดาอินพรมยมยักษ์ก็ว่าได้เมื่อพระองค์ได้ทรงประกาศเลิกทาสในหมู่มวลมนุษย์แล้วพระองค์ก็ชี้ถึงเส้นทางที่จะไปสู่ความถูกต้องนั้น พระ อ, องค์ก็ทรงเรีเห็นแล้วนะวิธีการที่พระ อ, องค์ได้ถึงจุดหมายไปทางนั้นมาว่าพุทธันจะทำมันจะสร้างคันจะสรณะนันตะโตท่านโบบอกว่าถ้าใครเข้ามาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชานะที่พึทธสินับถือแล้วปฏิบัติตาม ม, า ม, 8, มักมีองค์แปดมักมีองค์แปดนั้นขึ้นต้นด้วยสัมมาสมาธิลงท้ายด้วยสัมมาสัมมาสติถ้าเราประมวลลงในถ้าเราประมวลลงขึ้นต้นด้วย สัมมาทิฏฐิลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิถ้าเราประมวลลงในไตสิขาก็คือศีลสมาธิปัญญา เ, เมื่อเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เข้าถึงอนิจจสัต์สีคือทุกสบุ ท, ทยนิโรธมักนั่นแหละจะเป็นฟามส ป, ปูนอย่างนี้นี่พวกเราฟังมาเพียงเท่านี้เราก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราหรือศาสนาของเราในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเรา ไปตวงหาความสุขแต่พระพุทธเจา้าทรงสอนให้พวกเราแก้ความทุกข์เหมือนกับว่าเสื้อผ้าของพวกเราสปกปรกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเราไปสวยหาความสะอาดแต่หลักธรรมนั้นท่านสอนให้พวกเราชําระความสปกปรกเมื่อเราชําระความสปกปรกหมดสิ้นไปแล้วความสะอาดเราไม่ต้องไปขนฝายตวงหาเลยหากมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสปกปรกดับหมดสิ้นไปความสุขเราไม่ต้องไปขนขวายตวงหามาเลย มันจะเกิดขึ้นสว่างโล่งขึ้นมาเป็นสมบัติของใจอย่างแท้จริงเมื่อความทุกข์ดับสิ้นไปจากใจิตจากใจของพวกเราเองเพราะนั้นใจของพวกเรานั้นเรามาพิจารณาดูว่าชีวิตของพวกเรานั้นมันทุกข์ที่พวกเราอ่ทุกทุกนั้นมันทุกอยู่ที่ไหนถ้าเรามามองร่างกายของเรานับตั้งแต่ศรีรษะลงไปถึงตาเออปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศรีรษนะนี่มันไม่ใช่กองทุกข์ฮะมันเป็นเช่นนั้นเอง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 แต่ตัวทุกนั้นเรามาพิจารณาดูว่าชีวิตของพวกเรานั้นที่ว่าเราทุกทุกอยู่ที่ไหนเมื่อเราตัวตาดูอย่างทงแท้แล้วเราจะเห็นว่าทุกนั้นมันอยู่ที่ใจถ้าใจตัวเองไม่มีทุกแล้วโลกนี้ทั้งโลกไม่มีทุกเลยมองมาสู่ท่าฉันร่างกายอ๋อเขาเป็นเช่นนั้นเองเขาไม่ใจ่ตัวทุ ก, กเขาเป็นอันางไยเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อมองเข้ามาถึงตัวข้างใน ตัวคือตัวจิตตัวจิ ต, ต, จตมันจะแสดงลักษณะอย่างไรมันจะแสดงลักษณะถึงความรู้สึกนั่นแหละคือตัวจิตจิตนั่นคือผู้ท่านรู้คือผู้รู้มันจะรู้สุขหรือรู้ทุก็นั่นคือตัวจิตเป็นผู้รับรู้เพราะนั้นต้นเขาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่อยู่ที่จิตพระพุทธเจ้าท่านทรงทรงมุ่งเน้นลงมาชาระอยู่ที่จิตก็จิตมันเป็นอย่างไร จิตมันมีความเศร้าฟ้งองคุณมัวเดือดร้อนคับแค้นทุกขุม อ, อกขุมใจเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นที่บีบคั้นมาบีบคั้นจนบางค น, เ ป, นเป็นบ้าเป็นบอไปก็มีบางคนอยู่เป็นตัวเป็นตนตไม่ได้ครับอัะวิบัติทำลายร่างกายนี้ก็มากมายใจกว่า น, นั่นแหละมันไม่ได้ทุกอยู่ที่ร่งางกายเป็นร่างกายมันไม่มีแตกต่างกันไม่ว่าคนคนสูงคนค น, ค น, คนเตี้ยไม่ว่าคน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 เมื่อจิตรับทราบแล้วจิตก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์นั้นว่าเป็นเราถ้าอารมณ์ที่น่ายินดีเราก็ต้องจาาเมื่อมันจ่าไปเมื่อมันอยู่เราก็ต้องส่งผลรักษาชนุทหลอมไอ้ความส่งผลรักษาความชนุทหลอมก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งพอมันจากไปตำหลักอันนี้จังเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ายินร้ายเราก็เกิดรังเกียจเราก็เกิดอะไรผักดันถักไล่ ไอการผักแดงักไร้มันก็เป็นตัวทุกข์อนหนึ่งพะฉะนั้นอารมณ์ประเภทใดหอบงําโดยอุปท า, านควายึดมั่นถือมั่นในใจพวกเราแล้วก็ล้วนแต่จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งสิ้นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนล้วนแต่มาจากความคิดความคิดนี้มันคิด ม, มันคิดมาจากไหนมันคิดมาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสที่มาสัมผัสต่างๆหูจมูกนิ้งอาย แล้วก็เกิดต่อความคิดคิดไปตามอาดีตคิดไปตามอนาคตก็เป็นเรื่องราวที่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยจิตที่เราเรียกว่าธรรมลงุงจิตนี้ก็ไปยึดตอนนี้ความคิดนั้นมันคิดมันคิดไปไปไปในแง่มุมไหนมันคิดไปด้วยอานาจหรือแง่มุมของโบหะความรุ่มหลงความลุ่มหลวงที่เป็นข้อวามจิตมาจากไหนแต่ไร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 แล้วนความจริงมันมีอยู่มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเราจะตื่นอยู่แล้วหรือเราจะหลับอยู่ความจริงมันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งๆ ท, ที่มันอยู่กับเราแต่เราก็ไม่เห็นมันเราก็ไปเสกสรรบั่นแต่งตามโมหะที่มันบุงแต่งออกไปอย่างไรเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นตามตามความบุงแต่งของจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักธรรมนั้น ที่มาแก้ไขมาชาระลงไปที่จิตเราต้องย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาถึงต้นเขาเหมืนต้นเขามาต้นเขามาจากอะไรต้นเขาเนี่ยก็มาจากความคิดนึกคิดนึกคิดด้วยอํนานาจแห่งโมหะเมันจึงเกิดเรื่องราวมาก ม, ม, มายไกลกองที่มาผูกมัดเราเราก็ต้องมาแก้ไขชาระลงไปที่ความคิดความคิดนั้นมันก็มีสองประเภทความคิดหนึ่งเป็นเครื่องมือของชิเลตมันก็เป็นตัวสุทไทยเหตุให้เกิดทุกข์ ความชิดหนึ่งเป็นเครื่องมือของธรรมะ ม, มันก็เป็นมัชเป็นข้อปฏิบัติไป็นชำระตัวสมุทยัยตอนนี้ความชิดความชิดฝ่ายของกิเลสนั้นพวกเราอาศัยความเป็นพิธปบทิชนคนมีกิเลสเราจมมาจากกิเลสมาเกี่ยพวกกิจชติเพราะฉนั้นจึงมีความคุ้นเคยมีความชำนิชำนาญในเรื่องของกิเลสกิเลสจึงพาชิดพาปูพ า, พพาแต่งแบบไม่ต้องฝืนไม่ต้องอะไรอะไรเลยมันมีความชำนิชำนาญมากเช่นว่าคนเหล่านั้น จะคิดให้ตัวเองโกรธนั้นจะคิดให้ตัวเองขัดใจนั้นจะคิดในตัวเองทุกข์นั้นมันไม่ได้ฝืนเลยมันมีความคล่งองแคล่วมีความคล่งองแคล่วชำนิชำนานแม้นไม่เคยไปฝึกเรียนวิชาโกรธมาเลยไม่เคยไปเข้าเรียนเรียนโรงเรีย น, นยโกรธมาเลย <Jub ilee> แต่คนเราก็โกรธอย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญชิดให้โกรธชิดให้โลภคิดให้หลงที่ไอ้ราคะตัณหามันมีแต่ความคล่องแคล่วนั่นแหละมันกลมเกลือนครอบงำจิตดวนี้มาแต่ไหนแต่อะไรมาแต่ทั้งหากเราคิดคิดให้ไวให้ให้ให้วางความโกรธคิดให้ไม่โกรธคิดให้ไม่โลภคิดให้ไม่หลงอันนี้มันคิดยากแต่ยากมันคิดไม่ออกเพราะเป็นความไม่เคยจริงของพวเราเพราะนั้นจึงจําเป็นจะต้องอบรมพระพุทธเจ้าของพวกเราจงมุ่งเน้น อบรมลงไปตรงนี้อบรมลงไปที่จิตของพวกเราอบรมลงไปในฝ่ายธรรมะเราอบรมเนีย่ยไรอบรมด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติก็ที่พวกเราพากันปฏิบัติเอาภายนอกนั่นแหละเอาภายนอกมาปูพื้นฐานปูพื้นฐานให้เกิจิตซะก่อนถ้าเราไม่มีภายนอกมาปูพื้นฐานให้เกิจิต เรามุ่งเน้นเข้าไปสู่จิตเลยเข้าไปอบรมจิตเลยแต่พื้นแต่ภายนอกของเราพื้นฐานของเรามีแต่ความเลอะเทอะสกปรกจิตมันก็ไปกังวลกับความเลอะเทอะสกปรกภายนอกพอเพราะอั้นเราก็ต้องปลูพื้นฐานภายนอกก็ก่อนให้อยู่ด้วยความใสสะอาดปราศจากโทษภยัยความใสสะอาดจนไปปัญญาการปัญญาจากโทษภัยนั้นมันก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความมีน้ําจิตน้ำใจความมองโลกด้วยอัตตุธรรมคือให้มีความเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ ถ้าเรียกว่าการที่ทานขึ้นมาเมื่อมีการเอื้อเฟื้อสงเคราะห์นับตแต่คนใกล้ๆของพวกเราตั้งแต่ผู้มีพระคุณของเราจนถึครอบครัวของเราจนกระจั่งกระจายออกไปในวงสังคมในวงหมู่หมู่งานจากกนกระทั่งในหมู่สังคมในทั่วไปสังคมของพวกเราจะอยู่ด้วยกัจนจิตน้ําใจอยู่ด้วยการสงเคราะห์เจอจันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือเกันต่างๆเมื่อการมีอย่างนี้แล้วการอยู่ร่วมกันไม่มีการเบียดเบียน มีแต่การเอื้อเฟื้อมีแบบน้ำจิตน้ำใจแต่ปรัชนาดีต่อกันการอยู่ร่วมกันของพวกเรามันก็มีความอบอุ่นมีความเบาความสบายไม่ไม่เป็นปฏิโภธ์ในการเอารัดเอาเปรียบหรือในการคดโกงหรือในการปิดเกี่ยวกันนี่มันก็อยู่ในการอยูใ่ในการปูพื้นฐานให้สบายอยู่ในระดับหนึ่งจากนั้นเราก็มีการควบคุมกิเลส ข, ของพวกเราเองควบคุมกิเลสให้มีความกดขันต่อกิเลส กิเลสแม้จะมีความปวดก็ตามมีความโลภความหลงร า, าคาปัญหามานณาะทิฏฐิตามสภาพของปุถุชนก็ตามแต่พวกเราก็ให้มีขอบเขตมีขอบเขตของมันอย่าให้มันลดขอบเขตออกมาศีลนั้นจะเป็นขอบเขตของกิเลสถ้าหาพวกเรามีศีลก็มีความอดขั้นควบคุมจิเลสไปให้มันลดลดขอบรุ่เศตออกมาแล้วนั่นแหละเมื่อศีลมีขอบเขตแล้วชีวิตของพวกเราแม้จะเป็นปุถุชนก็ตามเราก็มีความสุข ไม่ใช่บุริชนทุกคนแล้วจะต้องมีแต่ความทุกข์จมอยู่ในความทุกข์ไม่เป็นอย่างนั้นบุริชนก็มีความสุขได้ก็สุขในสภาพของบุริชนเปรียบประดุจเหมือนไฟนะั่นเมื่อไฟมันอยู่ในเตาท่ามันมีเตาเป็นขอบเขตไฟนั้นก็มีประโยชน์ไปใช้หุงต้มแกงกินมีประโยชนม์มากมายแก่กองแต่ถ้าไฟล้นเตามันเป็นยังไงไฟลน้นเตาจะเผาตัวเจ้าขอ ง, ขอ ง, ของเผาบ้านเผาเบือพังระลายฉีกหายแบบไม่มีประมาณ กิเลสถ้ามันมีขอบเขตด้วยศีลแล้วมีสีลมีเป็นขอบเขตแล้วกิเหล่สนั้นก็พาให้พวกเรามีความสุขสุขในสภาพของผุ้ทิชนสุขในสภาพของผู้คลองเรือนสุขในสภาพของผู้อยู่ในออยู่ในอยู่ในโลกอบนี้มันก็มีความสุขความเบิกบานความสบายไปได้เมื่อเมื่อไปอย่างนั้นแล้วเมื่อเราพื้นฐานดารงชีวิตของพวกเราอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความเบิกบานอยู่ด้วยความผ่องใสอย่างนั้น เราจะมาขวนขันขวนขวายทำมาเพื่อเข้าไปชำระจิตใจของพวกเราให้มายิ่งขึ้นไปเป็นการสั่งสมบุญบา ร, รมีสั่งสมวาาหนาบา ร, รมีขึ้นมาเพื่อผูญสมายด้วยค้อบปฏิบัติเราก็มุ่งเน้นลงไปในการปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจพอพวกเราเห็นแบบฉบับมาจากศาสนาของเราแล้วคือเจ้าชายสษทธัตถะการทุกอย่างจะไม่ใช่จะไปอาศัยใครมาช่วยเหลือเรา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 องเดียวเท่านั้นน่ะกินแน่นอนเทพเจ้าล้านล้านล้านเทพเจ้าไปก็สู้เทพเจ้าองค์เดียวนนะนนนนเเคือกินไม่ได้รแน่นอนเพราะนั่นพุทธเจ้าจึงบอกว่าอับปายเฮอตุนานาโศนี่แหละอับตนแหละเป็นที่พึงของตอเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือสามโล ก, กะธาตุอันนี้เมื่อเราใช้อันนี้แล้วยกตัวเองขึ้นมาเราจะไม่ไปอ้อนวอนเราจะไม่คอยงอหงอเท้า คอยที่จะไปอ้อนวอนขอร้องให้ใครมาช่วยแม้เราจะไปอ้อนวอนขอร้องพระพุทธเจ้าก็ไม่ถูกต้องเพร า, ร, าราะพระพุทธเจ้าบอกว่าการตั้งการตั้งพระองค์ขึ้น ม, มาเป็นเป็นศาสดาหรือเป็นสราระที่พึ่งที่นับถือของพวกเราไม่ใช่พวกเราไปอ้อนวอนขอร้องให้สมบเสถนำเบาให้ท่านมาโดนเมตต า, นานแต่เราไปยกเอาท่านไปขอรบดับถือท่านเพื่อเอาน้ำทำทำค ำ, ำส่งสอนของท่านน่ะมาประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จึงเป็นผู้ชี้ทางให้แก่พวกเรา แต่เส้นทางนั้นต้องเป็นการดาเนินของพวกเราแล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นเมื่อพวกเราเข้าใจจุดหมายปลายทางของศาสานาแล้วว่าพราะพุทธเจ้าทรงบรังญญัติขึ้นมาไว้ไม่ใช่ให้พวกเราไปกราบไหว้ไปเคารพไปอ้อนวอนสอรอ ง, องแต่พระพุทธเจ้าทร ง, รงตั้งขึ้นมาไว้เพื่อให้พวกเรานําไปประพปฏิบัติปฏิบัติตามมัฏฐิโอมแปดให้เข้าถึงอริยสัจสี่ทำมัฏปัญญายปสติให้เข้าถึงอริยสัจสีด้วยปัญญาของตนเอง ด้วยข้อปฏิบัติที่เหลือจะเป็นปัญญาเข้าไปทุปปลุ่มโอ๋โปได้สิ่งเหล่านั้นเมื่อข้ัวเราเข้ามามันมีการมีน้ําจิตน้ําใจด้วยการสงเคราะห์เผื่อแผ่ที่เราเรียกกันว่าให้ทานมันสร้างทานเอตามกําลังความสามารถของตนเองเมื่อตอนเองสละออกไปแล้วในสุดเกอดจุอยังไม่ไม่เดือดร้อนและไม่กระทาให้ผู้เกี่ยวข้ อ, ของกับเราอาจจะเป็นข้อพัวหรือหรือผู้เกี่ยวข้ อ, ของกับเราเดือดร้อนอันนั้นละคือการให้อาถานที่บริสุทธิ์ แต่ถ้าการให้ทานพวกเราทานไปแล้วเราเดือดร้อนหรือทานไปแล้วครอบครัวของเราเดือดร้อนอันนั้นไม่ใช่ทานอันบริสุทธิ์อันนั้นยังไปทานที่ด่างพร้อยยังไม่ถูกต้องทานที่ถูกต้องทานที่บริสุทธิ์แล้วการให้ทานแล้วเราต้องไม่เดือดร้อนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราคนอื่นต้องไม่เดือดร้อนมีแต่ความเชื่อมชื่นเบิกบานผปร่งใสเราให้ทานเราไปมีความดีใจมีความบริบาร์นั่นแหละคือทานอันบริสุทธิ์ คือทานอินเตร์เสือคือทานในพุทธศาสนาเมื่อเรามีการให้ทานเพื่อเพื่อสุขเพาะกันอย่างนี้แล้วการอยู่ร่วมกันของพวกเรามันก็มีความผูกพันจากนั้นพวกเราก็มันดูแลกิเลสของพวกเราใหญ่ล้นขอบล้นเขีบมาด้วยสิ่งมีสินเป็นขอบเขียบเราก็จะไม่มีเวรไม่มีโทษไม่มีภัยมาคอยกอบกุลจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติ ร่วงละเมิดไปเบียดเบียนหรือไปปีนเกี่ยวกับผู้อื่นเขานี่เมื่อเรามีสองประการนี้อยู่ในชีวิตประจำของพวเราแล้วคือมีทานมีศีลประจํำของพวกเราแล้วจิตใจของเราก็มีความปลดโป่งในระดับเอาจากนี้เราจะมาสร้างปัญญาคือสร้างความเฉลียวฉลาดสร้างควารมรอบรู้เพื่อเข้าไปชาําระไอ้โบหะควารมรุ่มหลวงที่ข้องําจิตใจของเรามาแต่ไหนอะไรมานะเราจะเข้าไปชาําระ ได้อย่างไรด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรคือการภาวนาเพราะการภาวนาเนี่แหละจะเป็นก่อเกิดจะเป็นตัวต่อเกิดของวิปัสสนาวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งมาโมหะทั้งหลายความลุ่มหลงทั้งหลายมันหลุดออกไปเองเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเกิดขึ้นมาจากการภาวนาเราภาวนาเรียกภาวนาอย่างไรเราก็บอกแล้วว่าปัญญานั้นเป็นตัวสําคัญปัญญานั้นมาจากความวิชกุกขแข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 แต่ถ้าเรือลอยไปตามกระแสน้ํำในขนาดใดเวลาใดก็ให้เขาใจว่าเรือนั้นหลุดออกไปจากเสาแล้วหน้าที่ของเราคือมัดเรือใหม่เมื่อเรามัดบ่อยเข้าเราก็มีความชำนิชํานาญในการมัดมากขึ้นมากขึ้นจนมีความชำนิชำนาญที่สุดแล้วการมัดของเราก็จะมีควาแน่นหนามันคงเรามัดเรือไว้กับเสาก็จะไม่หลุดต่อไปเมื่อไม่หลุด ไม่หลุดแล้วแม้นกระแสน้ำจะไหลเชี่ยวขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนเรือ น, นั้นก็จะไม่ลอยไปตามกระแสนั้นต่อไปจิตของพเราไปเช่กันจิตที่มันเล่ยล่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเพราะจิตไม่มีหลักยึดเมื่อมันลอยมันเล่ยล่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งมันก็ับไปทบกระทบกับอารมณ์หน้ายินดีบ้างหน้ายินร้ายบ้างกระทบไปกระทบมาฟามนะ้่งไปในกระแสอารมณ์ป้าไปก็มีอฆ่าตัวตายก็มีนั่น จิตมันฟั่งไปในกระแสอารมณ์เมื่อเราไม่อยากให้ป่าสนาไม่ป่าสนาให้จิตลอยไปตามความนึกคิดมุงแต่งเราก็หา ห, าหลักยึดไวใ้ให้จิตให้จิตยึดไวใ้ในในหลักใดหลักหนึ่งโดยเอาบทธรรมใดก็แต่แล้วแต่เราจะเอาพุะโตพุะโตคําบริกรรมขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตหรือกําหนดอานาปานาสติมาเป็นหลักยึดของจิตก็ตามเมื่อเรากําหนดแล้วมีความถนดัดมีความคล่องแคล่วมีความชัดเจนอันนั้นแสดงว่าหลักนั้นเป็นหลัก ที่ถูกต้องของเราเป็นหลักที่สมบูรณ์ของเราเช่นเรายกเอาคําบริการบอกพุทโธพุทโธว่าเป็นหลักที่ของจิตในขณะที่เราบริการพุทโธเรานั่งอยู่เรานึกในใจว่าพุทโธพุทโธบริกรรมเราต้องมีความรู้สึกว่าชัดเจนมีความรู้สึกว่าคล่องแคล่วสะดวกในการกําหนดบริการบอกพุทโธพุทโธแสดงว่าพุทโธนั้นถูกจิตนิสัยเราให้มุ่งเน้นลงไปในการบริการพุทโพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ภายในจิตของเราเมื่อจิตไม่หลุดออกไปจากพุทโธแล้ว จิตก็จะไม่เละร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งแน่นอน ม, มันก็ไม่มีโอกาสกระทบกับอารมณ์หน้ายินดีหน้าดีร้ายจิตก็อย ujemy, ู่กับพุทโธได้อย่างได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าขณะใดจิตมันหลุดออกไปจากพุทโธมันก็จะเละล่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งมันก็มีความคิดนั่นคิดนนี้คิตอั้นคิดอนาคตมันก็ต้องไปกระทบไปสัมผัสรับรู้ในอารมณ์หน้ายดีห <okes. S 1> น, you, น้าดีร้าย นี่แสดงว่าจิตหลุดออกไปจากพุทโธแล้วหน้าที่ของเราคือเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจิพุทโธพุทโธใหม่เมื่อเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้เราต้ค่อยๆมีความสมดุลจำนายคล่องแคลวมากขึ้นมาคือ้จนกระทั่งมีความค่องแช่วมากเราก็จะอยู่กับพุทโธได้อย่างตลอดตลอดฟันเมื่ออยู่กับพุทโธได้อย่างตลอดตลอดฟังการภาวนาของเรามีความต่อเนื่องไม่ขาดวักขัดตอนแล้วจิตก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตเราก็สัมผัสถึงความร่มเย็นเบิกบานที่เขามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวขึ้นก่อควรมานนั้ เมื่อเราภาคเพียรภาวนาไปเรื่อยวันเรว่าวันละเริ่มวันล น, น, น, น, น้อยตามกำลังของเราอี ก, กอจ่างเ่เรานับวันมีความเบิกบานผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นแม้ภายนอกของเราจะเป็นเหมือนทุกคนหรือเป็นเป็นอย่างไรก็าตามก็มีแต่การได้มาเสียไปเสียไปได้มามีแต่มีแต่สัมสผัสอับความรักความชังก็อยู่แบบนั้นแหละ แต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถมาครอบงําจิตให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายแบบสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปเพราะจิตนั้นมีพุทโธหรือมีความร่มยังมีเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจิต ก, ก็อยู่พออยู่แต่กับความเบื่อบางความผ่อสไปได้เมื่อเราหมั่นภาวนาไปเรื่อยบ่อยเข้าจิตละเอยียดเข้าไปเละเอยียเข้าไปถึงที่สุดแล้วจิตก็จะรวมตัวเข้าสู่ความทงกข์อย่างแท้จริงเมื่อจิตรวมตัวเข้าสู่ความทุกข์จนอยู่ในความทุกข์จนอิ่พอของจิตจิตนั้นถอนออกมาจากความทุกข ที่เขาไปรวมตัวแล้วจิตนั่นแหละจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักนั่นมั่นคงที่เราเรียกว่าวัฏสมาธิพอจิตมีสมาธิแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรก็ตามชีวิตประจําวันที่เราจะเบี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตแต่ก่อนของพวกเราทุกคนเราหลีกเลี่ยงจากโลกธรรม ท, ทั้งหลายไม่ได้โลกธรรมแต่มีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สรเสริญได้ดีพาได้สุขได้ทุกอันนี้เป็นธรรมดาของโลก จิตที่ไม่มีไม่มีควา ม, มตั้งมั่นไม่เป็นสมาธินั้นพอไปสมัมผัสกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละจะมาทับถมม า, าฟาดฝันเอาจิตของเราให้หวันไวเอ็เอียงทุกยากเศร้าหมองขุ่นบัวเดือดร้อนไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งทั้งซึ่งจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมีคู่โกคู่สงสารมาแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นเช่นนั้นเองแต่พอจิต เป็นสมาธิแล้วแม้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีเป็นธรรมราเป็นธรรมดาของโลกแต่เมื่อมันมาสัมผัสกระทบกับจิตจิตเป็นเพียงผู้รับรู้แต่จะไม่หวันไหวยไปกับตั้งสิ่งที่ได้หรือสิ่งที่เสียสิ่งที่รักหรือถึงที่ชั่งเมื่อจิตสัมผัสรับรู้ในสิ่ ง, งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยความเป็นปกติของจิตเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราจะเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยกคายลอกพ้ออันนี้แหละที่เราเรียกว่าปัญญาเพราะถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาจากทางคิด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 มีสิ่งใดที่เพียงมีสิ่งใดที่ทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้มีสิ่งใดที่เป็นไปดังที่เราปรารถนาถ้าเรามาพิจารณาอย่างชัดเจนตามหลักความจริงนะเราจะว่าไม่มีเลยทุกสรรพสิ่งในโลกนับตั้งแต่ร่างกายของเราล้วนแต่อริจันมันไม่เทียงแต่เพราะมันประทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวจะให้มันอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไม่ได้ เรานั quickly, no ulations, way, ่งอยู่อย่างนี้เราจะให้มันนั่งอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ท่านยิงมริ้วทุกครังเมื่อมันทนเดิมอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันจึงต้องแปลเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไปทึ่ยิ้มริ้วอ่านนิจังมันไม่เที่ยงก็เพราะฟ้าไม่ไม่เที่ยงมันจึงเป็นไปเช่นนั้นเองมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราไม่ต้องเราเราต้องการหรือไม่ต้องการหากมันเป็นเช่นนั้นเองเราจึงมริ้วอ่านนั้นตา มันไม่เป็นอัตาตัวตนมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นเพราะถ้าเมื่อเราเข้าไปพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วโลกเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเองเราเป็นเพียงแค่ทางผ่านของเขาการได้หรือการเสียมันก็รู้แต่ทางผ่านการลักหรือชันมันก็รู้แต่ทางผ่านเราเพียงเพียงผู้เข้าไปรับรู้เขาลักผ่านมาแล้วก็ผ่านออกไปชังผ่านเรามาแล้วก็ผ่านออกไปได้ผ่านเรามาแล้วก็ผ่านออกไปเสียผ่านเรามาแล้วก็ผ่านออกไป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 เราจะเอาประโยชน์จากการจากไปเราได้อย่างไรเราก็รีบเอาประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วบุคคลผู้นั้นอยู่กับโลกเขาจะได้ประโยชน์จากโลกนี้เขาอยู่กับรักเขาจะได้ประโยชน์จากรักเขาอยู่กับชั่งเขาจะได้ประโยชน์จากชั่งเขาอยู่กับอสุภะเขาจะได้ประโยชน์จากอสุภะเขาอยู่กับอสุภะเขาก็จะได้ประโยชน์จากอสุภะเขาจะไม่แบบงสิ่งเหล่านี้ต่อไปแต่เขาจะ อาศัยถึงเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ของเขาเพราะฉนั้นนั่นแหละคือบุคลลบคลผู้ฉลาดบุคคลผู้ฉลาดก็คือบุคคลที่เดินตามาศาสดาไม่ได้เดินตามเทพเจ้าหรือไม่ได้เดินตามเทพเทวดาอินพมยมยัตแต่เดินตามพุทธันจะทำรรมันจะสร้างคัญจะสรณ ะ, ะังขาโตเมื่อเราเดินอย่างนี้แล้วเชื่อเถิดชีวิตของพวกเรานั้นเราจะเป็นผู้ประกาศความอิสระของพวกเรา ตามเสด MM mm ็จพระบุรีเจ <Yeah. S 1> uh ้าอย่างแท้จริงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตของพวกเราเป็นอิสระไม่เป็นข้าทาสใครเลยเราจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงแม้กระทั่งกิเลสเราก็จะไม่เป็นข้าทายของกิเลสอีกต่อไปเมื่อเรามีข้อปฏิบัติ์ทำลาตจนกระทั่งเราเป็นเราเองเป็นตัวเป็นตนเป็นเป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริงดังเช่นพระพุทธเจ้าสงสาวกทั้งหลายนั่นแหะคือความพอคือความอิ่มของพวกเรา จึงเป็นความประเสริฐที่สุดที่ผู้ทีเจ้าของพวกเราถึงแล้วเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพากันน้อมนําเอาโอวาะเอาธรรมของพระเจ้าไปปรับพื้นปฏิบัติด้วยตัวงตัวเองด้วยอัตัยอัตัยเหตุตุนนาโถตนแล้วเป็นที่พึ่งของตนไม่หงมือง่อเท้าคอยติดไปอ้อนวอนขอร้องให้ใครท่านใดท่านหนึ่งหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาคอยดลบันดาลให้พวกเราแล้วก็เชื่อเถอะว่าพวกเรามีโอกาสที่จะถึง ซึ่งความพ้นทุกเมื่อเราถึงซึ่งความพ้นทุกแล้วเราไม่ต้องไปหาฝันสุขมาจากไหนหากคันสุขจะเกิดขึ้นมาในขณะที่ถูกดับเป็นนั่นเองเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วขอโอมันนัติโกน้องเข้ามาน้องมก็น้องเข้ามาสู่ตัวแล้วเข้าไปแบบพึ่ปฏิบัติก็หวังว่าพวกเราก็จะถึงอัตถึงรรมได้รับแต่ความสุขความเจริญด้วยการทุกท่านทุกคนการแสดงธรรมมานั้นก็เห็นว่าพอสมควรเจรเวลาจึงขอยุติเวังก็มีด้วยปากาละเช่ เข้าใจไหมวันนี้แสดงธรรมะไปวันนี้เป็นวันวิสาขะเลยพูดง่ายๆว่าเป็นวันประกาศอิสราภาพไม่ ม, มี ม, ม, ม, มนุษย์เพราะกระทบอันหนึ่งคือทุกวันนี้เนี่ยเอ้ใครอยู่ในอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มวัดตาหนองไผ่บ้างที่เขาออกในอินเทอร์เน็ตออกในอะไรตอะไรเนี่ย ออกในตอนนี้จะเห็นว่าที่วัดของอาสมากาลังบอกบุญกันบอกบุญร่วมสร้างบ้านให้ชาวเนปาลคือตอนที่เนปาลในไอ้บ้านเมืองถล่มด้วยด้วยด้วยเนี่ยก็มีออกไปช่วยทีแรกไอ้เราก็ช่วยนะเราก็ประกาศบุญอยู่ในในวัดเราโดยเราจัดเป็นบุญบุญมาติกาบางสกุล เพื่ออุทิศไปให้แก่ผู้วายชนหรือพวกประสบ เ, ะเหตุแนินไหวนั้นก็รวบรวมปัจจัยกันก็ได้เยอะทีเดียวเราก็มอบไปให้สภาการชาติไทยจากนั้นคณะหมู่ลูกศิษย์หมูลูกศิษย์ที่วัดเนี่ยคือกลุ่มมูลนิธิลุ่มแม่น้ำาขงเพื่อการพัฒนาบแบบ ย, ยั่งยืนมูลนิธิอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากตั้งแต่ครั้ง กู้แลเบิดอู้ทุนระเบิดต่างๆที่ปลารอบมาจากประเทศแต่ว่ากลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มลูกศิษย์ที่วัดก็เลยตั้งป็นมูลนิธิอันนี้ขึ้นมาตอนนี้จากนั้นมาตัวมูลนิธิอันนี้ก็ก็หยุดหยุดชะงักไปหลังจากการการเก็บทุนแล้เบิดเก็บอะไรตัวอะไรต่างๆจนกระทั่งไปส่งเสริมการการศึกษาอยู่ที่ทางขมิบแล้วเมา่คุณทั้งหมดงานการทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อจบไปก็ก็เงียบไปพอตอนนี้พอผ่นดินไหวนี้กลุ่มลูกศิษย์เนี่ย ก็ลงไปลุยลุยในในในปานก็เอาของอะไรต่ออไปอะไรตออรก็ไปไปเห็นปัญหาอีกหนึ่งนะคนเราไปช่วยที่ในปานเห็นปัญหาอะไรเห็นปัญหาว่าพวกเราไปช่วยเขาเนี่ยเราเอาของที่ถูกใจเราไปแต่ไม่ถูกใจเขาอ่าเดีเราเอาของกินที่ถูกปากเราแต่ไม่ถูกปากเขาเอาของกินของเราไปอุ้ยทิ้งเกินการมาบ้าเพรเราแค่ยังไม่กินเลยหรือว่าอะไร ของเขาถ้าถูกปากของเขาที่เขากินอยู่เป็นประจำนะแค่น้ำผิดถ้วยเดียวเขากินได้ทั้งครอบครัวแล้วใช่ไหมล่ะไอของเราเอาของไปเนี่ยโดยเฉพาะไปเอาลูปไปแบบรูปลักษณะของรัฐบาลรัฐบาลขนไปเนี่ยโอ้ยเต็มเครื่องบินสี่ร้อยสามสิบนะเป็นลำๆ ล, ำ ล, ำลำขึ้นไปเลยไปฝึงก็ต้องทำวิธีคอยให้รัฐบาลเขามารับไปพิธีโอ้ยป่ารัฐบาลก็จะมารับเป็นอาทิตย์หมาเต่ พอมารับแล้วก็ต้องโอ้ยไปแจกเป็นพิธีนะต้องาอาปาอใบอะไรอะไรว่าออกมาไอา้รัฐมนูตีเลยสอสไม่เอาไปให้แต่พวกมันพวกนัยังไม่ได้มันปัญหาเยอะแยะไปอะไรก็อะไรแต่พวกเราพอลงไปลุยปุ๊บเนี่ยลงไปเห็นปัญหาไอ้นี้่เราเอาของกินไปไปทิ้งเกินการมาเลยเพราด้นะไอ้ที่ว่ารัฐบาลเขาจะเก็บภาษีเนี่ยเพราะอะไรเพราะพวกเราเอาไปเขาไม่เอาอะ่ะเอาไปกองไปเดี๋ยวเรพวกเราจะแอบไปเป็นสินหาอีก เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเขาเจาะโหดเจไรของบริจาคนี่ยังมาเก็บภาษีไม่ใช่แบบนั้น เ, เราเอาไปถูกใจเราจะไม่ถูกใจเขาอ่ะถูกปากเราไม่ถูกปากเขาอ่ะเพราะฉะนั้นทีมของเราลงไปเนี่ยไอ้เรื่องปากท้องเรากําเงินไปเลยเรากําเงินไปแล้วก็ไปเพื่อไปฟื้นฟูช่วยเศ็ษจเขาด้วยให้เหงินมันหมุนเวียนให้ของมันหมุนเวียนเราไปถึงปุ๊บไปเลยแม้ข้าวสารมันจะแพงขึ้นหน่อยก็ตามเราก็ทําให้เขาหนีคังค่าขายได้ไปซื้อเข้าวสารมาใหม่กันเลย ก็แจกคนเรียกพอครัวรับสารทีกิโลสารที่กิโ ล, โลแอรก็เป็น แ, แล้วแถว่ไปแล้วก็อะไรตอนไรแเราก็เราก็จัดไปก็ไปเรียนเห็นปัญหาอันหนึ่งบอกว่าปัญหาหนักที่สุดคือก็ไม่มีที่อยู่เพราะบ้านมันทําพังลาบพนาศูนย์ไปเลยไอ้คนเราทําไมมีบ้านเป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็พอหากินหาปากหาท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้แต่ถ้าไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าช่วงนี้ไปเนี่ยเป็นช่วงฆ่าตัวตายเลยนะทําไมฆ่าทัวตาย แผนดินไหมาปุ๊บบ้านพังทลายหมดพ่อตายแม่ตายลูกตายเมียตายัวตายเลยเหลือแต่กูกูอยู่ทําไมวะบ้านเรือนก็ไม่มีอยู่ไม่มีอะไรของอยู่ของเยอะวกูตายดีกว่าเนี่ยจะเป็นช่วงฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นต้องไปช่วยให้เร็วที่สุดบอกว่าไปช่วยช่วยรูปแบบไหนดีถ้าเราไปสร้างบ้านให้เขาสร้างบ้านให้เขาเขามีที่อยู่ที่อาศัยแล้วเขาไปเขาไปไอ้ไอ้ทุ่มเทหาอะไรก็อะไรอยู่ได้ตอนนี้ทีมหมอเปียรถ ไอ้พระหมอเบียร์รถเนี่ยนะเราก็คมจะรู้จักใช่ไหมพระหมอเบียรรถเนี่ยเขาพาหมูพวกลงไปลงไปก็ล่วงคณะสงฆ์นั่นู้นไปเขาไปไปเหตุปัญหาอันนี้เหมือนกันเขาไม่รู้หอกทราบโดยการไปเจ็บไอ้ที่บันพังพังอะไรตอนไรมาพอมาขอมาากออะไรตอนไรมาทำเนี่ยก็ตกหลังแล้วหนึ่งรูปบาทแล้วตอนนี้ท่านไอ้ไอ้ท่านไอ้ไอ้อดินมาอยู่วัดบวรเนี่ยท่านเป็นพวกสกยรสศกุล เป็นชาวนปาป่าที่มาบวชเป็นเลยขาจั้นะได้ท่านก็เอาลงไปเหมือนกันท่านไปลงไปขอบนอกไปบ้านนอกท่านก็เห็นทางทางลายเป็นบวชอะไรตอท่านก็ไปเอาไอ้ น, นี่เอาชาบ้านมาเก็บไอ้หน้าต่างเก็บอะไรเฉยๆมันยังอยู่ยังใช้ใจ่ายอะไรตรอ้ยได้แล้วก็มาทามาทําอะไรตอ้ยลงทุนอีกประมาณหลังละห้าพันบาทท่านก็บอกมาทางวัดเราแต่ทางวัดเราพิม ง, งานออกไปเนี่ยเราบอกว่าไอ้พวกนั้นก็แบบอยู่ทั่วข่าวแต่พวกเราเคยไปสร้างให้เมื่อเมื่อสามปีก่อน ไอ้รูปแบบบ้านเนี่ยยังมีอยู่ในในในตัวแสบธรปมชาติเมื่อสามปีก่อนเราเคยไปสร้างในเขาสามปีหลังปรากฏว่าเป็นนิ้ไหครั้งนี้แหละข้าง้างมันพังแต่บ้านนี้ไม่พังเราก็เลยไปสร้างในเขาโดยการว่าเริ่มต้นเนี่ยให้ให้ชาวบ้านเขามาช่วยออกแรงมาทำโดยที่ว่าเราไม่ให้ไม่เสียค่าแรงแต่เราจะไปซื้อวัสดุ เราก็มาเฉลีย่ยหลังหนึ่งล้วประมาณเจ็ดหมืนบาทหลังละเจ็ดหมืห่เราก็บอกบุญไปในหมู่ลูกศิษย์เริ่มเริ่มต้นตอนนี้เราจะสร้างห้าสิบหลังกว่าตอนนี้เราก็บอกบุญไปรู้สึกได้สักสักประมาณสักอาทิตย์เศษเนี้ยอาทิตย์เศษตอนนี้เห็นว่าได้ได้สามสี่สิบหลังแล้วนะสี่สิบกว่าหลังได้ยนะังไงแล้วถ้าครบห้าสิบหลังเราก็จะวางโครงการต่อไปเนี่ยคือชาวในปาน อันนี้ก็เป็นโครงการของที่วัดอยู่แต่ของของที่วัดเนี่ยมันมีมันมีสองโครงการโครงการที่อะไรหนึ่งโครงการที่เราใช้มูนิธิมูลนิธิรุ่มแม่นั่งรุ่มแม่นั่งโผงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี่ไอเราสร้างข้างหลังเลยหลังละเจ็ดหมื่นแล้วอีกมูลนิธิหนึ่งของของท่านอนิมานอันนี้หลังไอหลังนึงแต่ว่าเป็นประวัตของเก่ามาอะไรทั้งหลายคำจากข้อข่าวเลยอันนี้ตกหลังละห้าพันบาท เราก็ทั้งสองฝั่งเลยเมื่อเมื่อเมื่อสองวันก่อนเราก็โอนไปให้ท่านอนิมานเนยรู้สึกว่าได้เกือบร้อยหลังอันเดียวที่เราทำทาจัดจัดบุญที่วัดจัดบุญที่วัดเราจัดเป็นไอไอไอมาดิกาบางสปุญแล้วเราโอนไปให้เยนันนี่คือการบุญที่วัดเพราะในคนเราเนี่ยนะบอกการช่วยเหลือน้ำจิตน้าใจของคนเราเ ถ้าเราไปช่วยคนกาลังทุกข์เนีเาเห็นคุณค่าถ้าเราไปช่วยคนคนกําลังสุขเน้่ยเาไม่เห็นคุณค่าเหมือนคนอิ่มคนี่ยคนที่กินข้าวกินน้ำำําสํารานอยู่เนี่ยโอ้ยเราเอาโต๊ะจีนเอาอาหารอันนี้ไปใส่ตากเขาก็ไม่รู้จักคุณค่าเลยแต่ถ้าเราคนกาลังหิวจะตายเอาน้ําไปให้เขาช้อนสองช้อนโอ้ยชื่อนอกชื่นใจอันนี้เหมือนกันในขณะนี้เป็นขณะที่กําลังทุกข์ที่สุดเลยเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้โดยถึงแม้เขาจะเป็นต่างชาติก็ตาม แต่เราคิดว่าเออยังไงก็มันซึ่งสายสายเลือดของพระบิเจ้าของพวกเราเหมือนเราต่อแทนพระบิดาเจ้าเอเนาะเาะ เ, เอาไปเล่าให้ฟังพอประมาณเหรออันหนึ่งก็ดีขาดดีขาดเขาบอกว่าเขาบอกพู้พู้ไปไปไปเห็นนะเขาบอกมันแตกนะไอ้ที่เป็นของพุทธพวกพระเจ้าลูกอะไรตั้งอะไรของพุทธ ไว้เหมือนกันแต่ไว้มันไมนเลี้ยวคืนทำง่ายเลยแต่ของพวกมุสลิมเนี่ยไว้บวกพวกพ่อย่อศาสนาดีมันพังทลายเป็นกองกองกองกองกองขยะเลยเราบอกว่าอันห น, นึ่งเนี่ยสภาพจิตเนี่ยสภาพจิตเนี่ยเกิดจิตไหนอะไรต่อตอะไรกันมีมีความมรูม้สึกอันเดียวกันรักชอบช่างเหมือนกัน แลนนี้ไอ้สภาพสัตว์รนสารสภาพสัตว์อะไรตรัว อ, อ, อะไรที่ถึงอย่างมนุษย์อะไรเทวดายอนมันก็จิตรวงเดียวกันมันต่างกันที่เรือนของจิตเรือนที่อยู่อาศัยนี่สิเหมือนกับบ้านเนี่บ้านเนี่ยเป็นที่เป็นเรือนเป็น ท, ที่อยู่อาศัยของคนแต่บ้านนี้มีหลายประเภทมากเลยบ้านวางบ้านเขาเรือหาดบ้านเอตึกแถวบ้านกระตุกตรกระปบบ้านอะไรตัวอะไรมันมีหลายประเภทมากเลยแต่ผู้ที่อาศัยก็คือคนไว้กันหมดเลยใช่ไหะ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 ตั้งแต่นับตั้งแต่เทพเทวดาอินพรมยมยักษ์จงกระทำมนุษย์อย่งีทั้งสัตว์ได้เลฉันเป็นอสุ ร, รกายก็ล้วนแต่เป็นเรือนของกิตตอนนี้จิตเนี่ยสภาพจิตเนี่ยเหมือนกับคนเนี่ยไอ้คนที่มันอยู่อาศัยอยู่ในบ้านไอ้คนจะบ้านอยู่บ้านใหญ่บ้านโตบ้านเล็กบ้าน น, น้อยมันก็มีความรักความชังเหมือนกันมีความสุขความทุกข์เหมือนกันไอ้จิตที่ไปอาศัยอยู่ในเรือนประเทศไหนก็ตามมันก็มีความรักความชังมีความมีความชอบมีความกดทับเกีอะไรเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ตัวนี้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 มันก็ใช้ไปไในกล้พระเา้นมันใช้ไอไอไอจิใช้สมองเนี่ยแสดงถึงความความเกียรความชังความรักอะไรได้สร้างดีกว่ามไออจิตที่อยู่ในกายบนมนุษย์แต่ว่าจิตนั้นมันมีความรักความชังเหมือนกันมีความชอบความไม่ชอบเหมือนกันแล้วคิดดูว่าไปฆ่ามันจะไปฆ่ามันทีเดียวไอเราวันสองวันไอตักี่แสนตัวใช่ไหมนั่นแหละบูชาอย่างไรเจ้าแม่เจ้าแม่กาลีเจ้าแม่อะไรวะแมวอัปมาว่าเจ้าแม่อัปปี เออก็ดูเรื่ยมันมันมันมันเบียบเบียนมันมันมัช่วยเราเราได้นั่นแหละรัดไอ้พลังของจิตแต่ละจิตที่มันมีความเคียดแท้มีความฉังที่ไปเบียบเบียนกันีตั้งกี่แสนจิตที่มันรวมไปพร้อมกันน่ะมันรวมมันมันจะมีพลังกระตุกนี่อันนี้อัตมาว่าสาเหตุเป็นไปได้ที่มันไปรวมกันเป็นพลังเป็นรวมกับธรรมชาติเข้าไปเลยมีอิทธิพลกว้างใหญ่มาใช่ไหมเบื่อกับต้นไม้ต้นอื่ จ ร, จริงๆแล้วต้นไม้ไมีมีอะไรหรอกแต่ด้วยความหลงว่าคนไป อ, อูน่นอาถรรพจิตอะไรอะไรไปเพ่งว้วยไอ้พลังขจิตที่ไปรวมเงียก็เลยทำให้มีอทพลจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อิทธพลอยู่ที่ต้นไม้หรอกอิกทธิพลอยู่ที่พลังจิตไอ้นี่เหมือนกันอ้ที่มันมีความเียดแค้นมีความชังมีความโกรธอะไรอมันก็แช่งไปมันก็สาบแช่งมีเ่าปารธนาไล่อะไรเพ่งไปเพ่งไ ป, ไปมันก็น่าจะมีอิทธิพลนกัน เราอย่าไปคิดว่สัสดุเอกสารไม่รู้เรื่องรู้เล่ามันแสดงออกไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออมันแสดงออกแต่มันเอาเอาเอาเอาสภาพกายพวกมันมแสดงออกแบบมนุษย์เราไม่ได้แต่มันก็มีความรักความช่างเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมล่ะ อ, อ, อันนี้เพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าเอาแต่ตัวเอเมจินนะว่าเอ้ย ฉันรู้จักรักฉันรู้จักทางแต่ไอสัตว์หรฉันไม่ไม่รู้จักรักจักรทางเลยไม่ได้ตัวเองเปลี่ยนเห็นแก่ตัวเกินไปผมพ่อครับนี่แสดงว่าทุกสิ่งแต่สิ่งมีพลังจิตของตัวเองถูกต้องถูกต้องตอนนี้ไอ้ที่ว่าพลังจิตเนี่ยไอ้พลังจิตพวกเราไม่ได้รับการอบมรมมันจึงไม่สามารถแสดงแสดงตัวตนมาได้เหมือนกับพูดง่ายๆทุกคนมีแรงกายอยู่มีแรงกายอยู่แต่เราไม่ได้รับการศึกอบรม เพราะนั้นเราจึงเอาแรงกลางเราแสดงออกไม่ได้แต่นักกีฬาก็าได้นักปัดอบรมเขาจึงสามารถรวมแรงกายเพราะมา้าหูแสดงเป็นหต่างๆนานาได้แบบอัศจรรย์ใช่ไหมตอนนี้พวกเร า, เ า, เราว่าอไอเราแสดงไม่ได้เราบอกโอ้ยไม่มีไงกําลังกําลังกายมันน่าไม่มีแต่คนดีกันได้รับปัดอบรมเขาดีอ่ะใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันใจของเรามีเราบอกไม่มีกําลังเพรเราแสดงไม่ได้เราเอาตัวเองเปไอคนที่เขาเขาได้รับได้รับการอบรมมีใช่ไหม เช่นหุกผู้ที่ปฏิบัติธรรมภาวนานถึงถึงออภิญญาห้าตัวเนี้ยเขาก็ามีพลังก็เอพลงกิจตัวนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆก็จะเริ่มพลังไปเองถูกต้องพอมันเป็นสมาธิมันมีความตั้งมั่นมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่มันจดจ่อไปเหมือนกับนขณะ น, น, นี้ของเราเหมือนกับแม่น้ำมันไหลทะลุตปปุโปไปหลทิศหลทางมันก็ไม่มีไม่มีพลังไม่เี่ยหน้าไม่มีพลั ง, อ ล, งลองปิดกั้นมนให้ไหลออกทางเดียวเป็นเขื่อน <Okay. S 1> ไปเรืแล้วกำลังมันมาูกต้องเรอดทนได้สู้ได้ใช่เหมือนกับร่างกายฝึกอดทนไปเรื่อยเดี๋ยวก็มาเองขำหลังเข้าใจไหมอ้าวคงจะรับผ่อนเลยมั่นเดี๋ยวจะเกินเวลาทำงานมาเยอะเดี๋ยวนายจะมาด่าไม่ใชพวกเรามาด่าทีงครูบาอาจารย์ด้วยไม่เอารอรับรับ ยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนจิสาขลางังเอวะเมวิโตทิมนางเตตาน่งูปาคปตี อิทิตางปฏิต่างตุมหังคิปเมวสมิชตุสัพเทภูเรตุสั้งกตาจันโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะถาสัพพิโยวิวัชันตุสัพพโลโควินั ส, สตุมาเตพันตรยโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาตนาสุโรยานิจังวิทาปจายุโนจตารุธรรมาวันติอายุวันโอยสุขัง พะลังภระวัตุสาพระมังกรังพระขันตุสาพรเทวตาสาภ พ, พุทธานุภาเวนะสาภธรรมานุภาเวนะสาภสังฆานุภาเวนะสต า, าสโสติย์ าวานุเตอาอาให้อยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญการดเนินชีวิต ก, การดาเนินงานปฏิบัติงานขอตัวเทงให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเนะอา